เออแล้วบาดนี้จวนแจ้งมาเกือบฮวงเศร้าก่อนข่าวัดเป็นทรงอะและอุปาชานันเคยว่าจีพ่อแม่มีให้มาพร้อมทั้งสองทางด้วยสองฝ่ายและแมีน้อยถือผ้าไตส่วนพ่อนากนั่นในถือบาไว้ลูกชายกม้มบดทํากายและแม่ให้นางยูเบีงยงใสพ่อให้นางทังขวามือนอ่ะ ลูดูเกา้ามขอาข้ามาจบลงแม่ยืนไตจีวอนผาและส่วนว่าทั้งมิรานัน่นละยอประตูมอบบาดเยืนละและทีละวัดนั้นนาบวซืมหย่อนนั้นี้เพียงแม่คำอีกทั้งซ้ำบาทุกเดือนเมื่อคุณแม่ยืนบาดให้อีกไตพอนจีวอนเพืนและกืนน้ำตาลงหัคข้ออ่างในแถบดอกเป็ียนบา ละน้อยนามตาได้น้องแก้มละเนื้มนุต้นผู้มั่นดาละนาตาหน่อยว่าโดยดัง <c oughs> ละอู <c oughs> ปาช้าโนบวกกับดังหันหามา่าสักษาละทั้งคำนันทาป่าทั้ง และที่ระบัดนอกเาอาตานซึ่งความโศกได้ทนไหวแล้วฟูบลงไปบนตากเม่ตุมได้ยุมย้อยและแเม่ก็พลอยลงกมนละละลงที่ดังนากดูกใช้นอนน้ำรอกตาละลัง และเมอเอาสวางมือนอนรูหลังควางลูกชายหน้ากำพาบวดเถุลาแม่สร้างคำน่ะและสิ่งได้ถูกใดดวงรำขอคุณเม อ, เอหัวเสียละใบเป็นลาคีแต่ยังได้ดอกทั้งเสียนะ ลาียนมันด่าพึ่นจะเบาตื่นตั้งใจเหลือสิเอ้ยลาละโอดวางจิบพ่อแม่เอ้ยละพ่อแม่เอ้ยให้อภัยแกหนูกน้อยสมอตอนว่าเล่าป่าในล่านเย็นละเม่ แมยเอ้ยเดี๋ยวนี้ที่ละวัดเถ่าพิ่มสีเข่าวบวชเป็นสงฆ์ขอจงอาโห์ฮู้สีกับฮาดูกหลงอ่าฮาูกกลวงเกินเมยเด้อเมยเด้อก่นอนดูกสีเข่าวบวชเป็นสงฆ์องค์กาเจา้าดูกนี่ขอเวบากับเมย์ในแมยเอ้ยแล้วก่อนอื่นนั่นด้วยกายด้วยว่าจารด้วยใจด้วยกายกรดีเด้อเมยเด้อดูกนี่ขออาภัยจากคุณเมย์าดูกนี่ได้ดวงเกิน สิว่าตอนหนาหรือว่ารับดังกระตามเมยเอ้ยขอคุณเมย์น่นจง อ, อาโหสิกรรมให้แกูกแกเต่าเด้อเมยเออมาเป็นหนังดอกบักลาถึงหลกเมยสิเพิดด้วยกายก็ดีเด้อขามเด้อด้วยบาจากก่าก็ดีเมย์หายอาภายัยสาธุสาธุเมยเ อ, อ้ย เป็นแจงใดไม่ใู้ดุสิเข่าวบวดแล้วมีข้ขสขา ส, ส, นนขววสั่งข้าสอนได้แนว่ยใดดีๆกะเบาสูรูกสูเต่าฟังเบิ่งคนดูแม่เอ้ยก่อนสิเข่าบวดแม่อเสียนซนาวลืกใหนอยละกอเส้นเอ được b i t h ắ m mây tột man đàn l m ta lệ nhang nhói, ao mưa p a o đọt r u ộ n là khua m â nhàng n h a n g nhói, làm ta mê phù man. m i tháng h i ê n g el phù h ó b phù m i ê o a a n n m ê n ผัวม่ดาลับเอาผ่าเลืบาดะเอเอเ อ, เอามาแม่บาดกระผ่าแม่ไม่ให้ดุเพยเต่าสาดแม่เอ้ยดุเต่าสีส่ขาวบวชจะได้บาดนีน่แม่ลืกแม่หน้านาทุกทุกางฮาลูกแม่เหยียดบานเปิ ฮ่าลูกม่ยนบานเปรวอาภัยแล้วถูกเสี่ยงอันเนื้ เยังจากน้อยตอนหลวงแก้วสิเป็นพาผู้ทรงสียนเมียนียินดีหลายได้บวดเรียนในข้าวนีน้หากเต็มเทียเสียใจที่เองแเต่บิดาบ่ยังนะ บอเป็นอย่างดอกเมเอ้ยเป็นมีแเมยผู้เดียวกับป็นทั้งเมย์ทั้งพอไงดุไงเต่ายดุกับบัวบาน แ, แล้วสานิ้น ม, มดุกับพ่อแล้วลูกับพ่อว่าใจอุ่นใจยู่นเมยจะหองจะหาเทเมเอ้ยผู้เพลินด้วยกูเฮากับยังบได้บวดบมมเมย เอ็กันเล็งนั้นแม่เครื่องบวชลูกในเถือ น, นี้ก็เป็นนี่นอกเพิ่นแม่เป็นนี่เทากัสีใสเพิ่นอยู่ดอกเม่ความโวยโวยจะงต่างใจเด้อหน้ากาัมพาต่างใจเด้อหน้ากาัมพาพม 偏空寂。 เดนลนตามทางคนทางทําให้พือังใจดอกดื่อลาบเยือนคำสอนพระสันธ า, าศาสตร์สดาพันตันวายเถิงเสีพเป็นจังไดลูกกยายลื้ เพืออสออลาพ้นเสียนเธอไปน้ำเกือบินเยินพอให้สมค ว, วามประ่างต่ Gone, I passed by, p a s e d by, but n o i s s n y o m i n เอ็งน er ันนโอ้ยเศร้าเมียะห้องยะหายทอเมใส่ละบาทก็ผ่านอาม่ที่ละเมยืเอ้ยเจ้ายะหองจะหายเศร้าทอเมตั้งคิดตั้งใจสกวละอุปัชาพันธาอยู่ บวชไปสู้และคำพยงสืงศาสนาเดิมคัมเดิมบวชเป็นอยังดอกแมยบวชไปแล้วก็จะลืมเด้อดท้าวลืมอยัางดอกเมเวกยว่ า, ว า, า, าสู้ดุกเต่าฟังเบื้องลู่อย่าลืมไายพาสวดมนต์แผ่กุศลผลทานไปหาพอเด้อหล่ะเออเอบอบวชลืมดอกแมย Oh. ให้พ่อได้ขึ้นชั้นสันฝาตายรับตาเดื่อเท้าเพิ่นอบอกซ้าเออเออม่ขอจังลูกหนักไบจำเนียขอให้ท่ำตามเด้อูกเด้อบอกเป็นอย่างดอกแมลูกสีสวดมนต์ภาวานาทุกเสากคำแม่เอ้ยแม่ยูพีกะขั้นดูกปวดไปแล้วเม่กะห้สมเป็นเม่พ่าเม่เจ่าเด้ ไขมันไขมันกินให้มันทานแต่ ก, ก็มันรักษาสินมาจังหนันจังเพนเดนอโยมเม่ไอ้เม่มาเด้บอบ่<ส>เป็นยังดอกเพ<อ>ื่อนกับโยกลไกล่บา้าน<อ>บ่บไม่ยังหายแมก่กับชิแกงพักขี้เล็ก ข, ขันไปชมโอ้โ่พวกเป็นอย่างตัวเม่นี่แล้วอาหารเด็ดของอีสานบ้านเฮาถ้าอยู่บัดกับขึ้นดุของโยมพอเม่ากาินยังดูก็กินน้าได้บยยากดอกแต่เม่เอ่ยเนาะ จักรพนให้แม่แตงเลอร<ช>์อแม่ยูพีกับยูดีไม่แห้งเดี๋ยว <นะ S 1> อุจิกขึ้นโบดชัดได้บาตหนึ่งแม่ก็ซืมื้อดได้บาทนเออเอาเอาให้หลังจากหน้ากัมพราและมารดาผู้เป็นม่ายโศกสันต์ต่อกันลำพันจบลงแล้วผู้ผู้เป็นองค์อุปชาก็ได้ทำพิธีอุปสมบทนักกรรม ให้แก่หน้ากัมพาไม่นานเท่าไหร่ก็เป็นพระโดยสมบูรณ์ก็มีนากาละครั้งนั้นเลยวันนี้ขอกล่าวถึงแม่เทถษฐีติมพะรุอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ถึงเกตวันที่ลูกชายของแม่สาวณีได้บวชเป็นพระเล่าเป็นผู้เสียสละให้ยืมเงินตั้งพันลูปีเพราะมีความหวังที่จะให้ทีรวัฒนนั่นเป็นคนเลี้ยงบวผูงให้ตราบนานเท่านาน ขั้นถึงวันที่กําหนดหมายพระลูกชายของแม่เสาวนีไม่ยอมลาสึกขาจึงมุ่งหน้าไปสู่ที่บ้านของแม่เสาวนีแล้วเอ่ยพาธีถามด้วยความโกรธออกไปว่าอ้าว อ, าวอาวแม่ท่านนี่โอ้ยแม่เสาวนีวแม่นปนัดพาลูกชายของเจ้าจิล่าสึกขาจากเตือ่หือเถื อ, อกของมาเลี้ยงหัวผงดังนัดหมายกันไว้อันนี้มันกายเจ็ดมือเจ็ดบ้านเดี๋ยดีแบบนี้เขาบลี่ลี่อยากว่าเบี้ยวเขาเรียกว่าเป็นการบิ๊ด เช็ดในตีพันรู ป, ปีนั่นแม่นไหลหรือหน่อยเป็นนีเป็นจิตเขาแล้วเป็นยังบอกลูกบอกเต้าไปหาปล่อยง้วงปล่อยค้วยเป็นยงล่าสื้อขาออกมาเลี้ยงง้วงเลี้ยงคล้วยหายไปยังยแมมเศทีเอ้ยเมื่อวานนี้พาลูกคอยมาจากเบ้าเชขอแล้วเชคออยู่อีกจากพันศาหนึ่ง แล้วจังศิลาซื้อขาไปเลี้ยงแม่ขอแกเจ้าพูโหจงใจตั้งต่อบุญถ้าแม่เออใจเห็ุบาปเวทเวทลูกกับท่ากับพลอยทอให้ลูกคอยบวชอีกเจ้าพังฉาแน่เหตุบาปเฮตุเวทนี่อย่างกันอันที่ว่าบุญบุนั่นมาเลี้ยงหัวได้หรือเปล่าบุญมันกินได้ดั้งเ่าให้ล้องเว้าว่ามาเบื้องอนหนาขันบ่อถือกระบอเป็นหยั่งมาต้องให้พาลูกชายของเจ้านั่นไปเลี้ยงหัว่อย เลี้ยงจะจุบคานี่พันลูกปีพุนจังเท่าเข้าใจไปไม่มัคือว่าไปทุกบ่านบาดยะแม่เศรษฐีเอ้ยข่อยสิขออันขันอาสาเลี้ยงว่าฝูงแทนพันลูกข่อยดอกแม่นสิทุกยากหายตัวข่อยกัะชวนย้อมจะเฮ็ดบาเพ็ดเว้นดุพผาลูกเน้นถอ คอยจีชวนไม่เนอไม่นล่าไม่เนทุ้มไม่เนพอรอนเป็นยอย่งชอยหอกมาได้บอได้ขอยใจไปผู้เลี้ย ง, งวัวของคอยนั่นล้วนแต่แต่คนชายเจ๊กตัววงตระกูลมาบอเคยมีผู้หญิงเลี้ยงหู่จักบอ่ผู้หญิงเลี้ยงมันเป็นยังแม่ผู้หญิงเลี้ย ง, งวัวคอยมันเป็นมานนะโดยสะพ่อแม่ห้างแม่หมายจงเจ้านั่นแห่งมันครับ ชั้มพอแต่น้องแม่ห่างนั่งหมายบรรพายแก้วไปยืมเงินตลาดเงินเฉลิมาสืงวัวเลี้ยงมันบวเพลบบพื่นฟังค่าล้มคนมีหน้าเที่งหูตาปากจะหมวกหรือความสุขเลิอดล้นที่เขาเอินเกียรติขุนอ่ะ เอินว่าคนลาล้วนบางคนตัวกับคนลวนภายหนึ่งกวยเขา่างามอีภ่ภายนอตจำเขาตู้ เปีดประตูต่างความแพรถ้าเจียงกันถูกเจียงย่างบ่เห็นหุ่นเทนาทางที่ได้พบได้พ่อเห็นส่วนอีกคุณห้อยคำว่าบ้านนั้นน้ำอ่อยของผู้มากด้วยเงินตายาตีตวงถามหาให้เมื่อยคางดอกเลยแล้ว เขามาแนวเลียกาฝากกินยาเฮนาจะยำปันทนวาสิวานาอนาลอกับสาวลากันคนลากีบานที่สองกิ๊กเมลาสวลากันนา ผัวคำหดาดคำนานนานบ่บางเกิดมีพ่อนายอน้อนค้นจนมันถ้ามาเวนีนเที่ยงได้เข็นไปตามเลื่องเอ้ยสาเนียงแบบคุณคุณโมจอนยังเต็มทีหนุ่กนแม่สวาววนนี้ หากเรื่องนี้ถือเจ้าเบี้ยวจำเปลาต้อขอังเยือทีนาอย่าไปเ่าทอนาเรื่องบุญแบบหรือเวรกรรมบุญที่ทําบ่เห็นว่ามีดีหยัางแบบที่ทําก็คือการคอยบ่เห็นว่ามันลาย สายละสวนชะไล่ทิ่มตัวคอหนาวทบางโมระอันบาบาบุญบุนไข่บอวเสื้อทอแหงแนงสุบ่าวว่าแล้วทำตามทอนจางทีททททง่ขวานนั้นละเดาญยจายาย เมสาวันนี้่าติท่านใหน่อยให้ปล่อยแซงไปหลายผ้าขอไปหาพาลูกชายอยู่วัดบ้าเดียวนี่ไปผ้าขอไปวัดไปวหาพาลูกชายของเจ้า มันดาธายละไม่เจ็ดชายบาสีมังดอกเพือ ม, นมคนคนูน v à งเพียงเพียงคนกองบุญละจากลูกใสยผู้บวชสังางพราไปยังเทวีมัน เดี๋ยวนี่นเดี๋ยวนี้แกวขาลาเกิดแตกหันไม่ลอยแหงหัวใจแม่ละทุมหมองซองบ่เห็นดอกทั้งกแก่ละค่าเพื่อนแพรลวงชายหน่อยบวชเป็นสงเวยน้อลดผ้าถอดกะใจเนี่ละย้อนตอนทันยะแม่เศรษฐีพ น, นั้นเป็นพวกหาย I e a m a o u bad m e สมวมควราก่อยดอกก้าวเอิเอานีเพิินมาเป็นทุนเพื่อสแสวงกำไรบุญจังได้เป็นอยู่เดียวนี่เสถามที่เป็นบ่างหัวกั้ยานบุญสิแป้วแมยงย่านแต่งข้างน้วยเหงียวลาลีเยาวสิเกิดบาปหายมุสาเลียนดอกดวง เธอเป็นการหลอกตอมบะมันเที่ยงในข้องศีลละเยินและพรบันเสินศาสดาบอ ย, ยองอุนทองคำก่อนละละขา ลานแสนป่ะผู้ลูกแก้วของตัวฤๅ หลวงเมอสั่งมามื่ังแต่บาปแล่นเขนละลสั่งมามืตอั่งแต่แวนล่นตองเธนอลเย้พังเนอลเย้พง จะพาไปแต่าไปหอดแล้วเบาเอาเองเด้อไปบอกพระสงฆ์องคชาติลาเพจซึกอขาขอย่านบาปกินขี้ขืนขี้กกขอย่านบาปขืนนภาเมื่อเศถษฐีติมพระรู้ได้ต่อว่าเช่นนั่นแล้วแล้วก็ให้แม่สาวนีนำไปที่วัดพอไปถึงจึงพูดกับพระลูกชายของนางออกไปว่ามาจะไหนพระเออวเฮ็ดช้างเฮ็ดถางอย่างน้อยู่หันเนาะ มาจะไหนพาสิซ <S it> <S ans> ึกหรือไม่สัญญาหมายมาฮอดขั้นบ่สือกันหิบเอาโยนมันจได้ยึดทีน่ะเบามาเบื้องสิถึ้อคือสิบอถึกเหยื่อขนแห่งตกลิ้นอยู่นี่โอ้ย อันพอดมือพัดมือนัดดาตีหลายย้อมเมสิทีเอ้ยดุกมามอันไหนย้อมเมสิบวันกายมาแล้วต้นญ่แม่เศรษทีทานเพันดันท้องสัญญาเข่าจะขังก่อนเดี๋ยวด้วยคำเออแม่ขอนเพันกับบ่ย้อมบอกบ่เกินสัญญาแล้วเออแม่กับเมยายบัวว่าจะไปขอคันอาชาเหลี่ยงว่าแทนเพันกับบ่หายแม่ไปเป็นอย่างไรย้เมพันวันเจ็ดสะกดตระกูลเพันมิแต่ผู้ชายเลี้ยงเออ คันโพนย้งแมหงางนางหมายคือแมไปี่เลี่ยงเพิ่นบางวะเพิ่นเป็นหมันโอก็สร้างเบาสร้างว่าเทอละโยมเมเพิ่นต่างว่าซื่อดอกโยมเมเอ้ยจะหน่อยอกหน่อยใจถอโยมเมหอดลูกวามเสว่าจังได้เสียูยเฮ้ยซื้อกะได้เอาแต่สุดัดจินใจเอาเด้อลูกเออเอาข้าจังสั่งโยมเมกะฟังเด้อดวงดวงเตาเสียเบาโซฟังเอาเบามาฝนแหงโต๊ย มาตกยับนี่เราบาดีผลยับขม่าไม่ยับข ม, ม่าเมื่อนานและวาวกากพิสุ น, นอย เดือทสองเสียมผู้มาไม่พวมเลียนท่องพานินัยกอดระเบียบระแบบเบื้องให้จกหักผู้แมนหอมละท่าและยินคำจาดอกเออ่างควางยุม่เศษทีละผูมิน้ำติ้มผาลูมาใดเรื่องดอกยังเบียละหมายให้เลือปผาทําเจ้านั่นไล้อับปางลุกในบังกวางที่่วงอ้าว เราให้พรนั้นพื้นขาวดำหมองแป๊กเปลือนในเพี้ยนห่วงวะไว้ใสยูมลาโอ้ยเสียดายดี โอ้ยเสียดายน้อกินอมน้ำคนจมบาข้องสินย้อมทะเบิยนยินย่อนใส่เสียนไปเหียนก่าวังเป็นดาวที่เพ็นจ่าสาธุชนทางไหลได้ยินย่องไปนมยืนละบ่อยากไว้นั่นกลับคื้นขาละบาดเผลบาดเป้ยวตันหาไม่และจีกับเจแลน้อย โศกระเทือน่าได้ปำเพตนไม่เม่นควัอวอนกับเพียนฝนถึงถวยชีวิตต่อผู้องผู้ทุแก่วฏัเนี่ยวมาคว้างละคว้างตันทางมาคาทรวที่เดินย่องบาเที่ยวไตเราบ่สมคิดมอบใจแก่พระพุทธศาสนด้วยมาสวยเทเหตจังไดละกั้นความโศไวบ่ได้ย่อนมีเหตุให้สา ส่วนนะละแนวเปลี่ยนเพียงนอสาตูชุนเพราะม่ต่อละหันตาคือพวกมมขีนาข่าสวกไทยนะและคิดคิดไปลหลางวันพ่อและยืมบิดาดอกเอยน ผู้หมดยันนันสีบหลักปนลายย่างบบได้ก่องกุ้สนติบเม็ดไว้ดังตังไว้ผัดหมาหมายนันํามกี่สิโอ้ยละยหัมเมษีเทือ โอ้ยโยมแม่เศรษฐีเอ๋ยแต่สําหรับอาตมานี่หูคํานัดอีกคําผัดก่อนสิมาแล้วัดบวัดเป็นสรงดาวองศ์เสยแต่โยมแม่เศรษฐีโยมไม่ยืมเงินตาเครื่องอัถานั้นจึงมีใชืแล้วมีการสัญญาไว้ถึงเจ็ดวันแล้วให้ตาเดี๋ยวนี้นั่นเหตุคองมส่วและยังโบท่านได้แจงข่าวขออยู่ไปจ่าขันสัวคุ Om Parihula, me la toan tham đèo là na. โยเม เ, เสตีเ ой. อ๋ยอัตมานันขออยู่ไปก่อนเถอะนาพันศาหนึ่งจังศิลาสืขาพอได้ีูโหข้องท่ำแจ่มขาวแล้วจังสิขึ้นโคง้งอันโยมเมจะชิเหตุบาปเพลิเวนพาบวชใหม่ถ่อมั่นสิเป็นบาปเป็นกรรมเนรอโยมเมเสตีเอ๋ยหยังคืออ้า ง, ง, าางแต่บาปแต่เว้นแท่เยี่ยงนี่เหรอแม่กับว่าจังี่ลูกกับว่าจังส่คือกันเกียงไ อ, ไ อ, ไอ้หอยแม่ บาปกรรมนั่นแมงเมืม่อกี้กับท่าน้อยเกียนห้างนั่งสูบยาแมอาายู่บยเดียวนี่เหอเจือเสือกนสิว่าเสือกขันว่าเสือกหิมพายไปเลี้ยงงว้วผูเงเด้วมืออื่นเข้าใจไปถสือกว่าถสือกต้องไปเลี้ยงงว้วให้คอยคือสร้างว่าจังสันเทลยนยมเมยเอ้ยเทลยนยมเมย์เศษฐีเอ้ยหลักการบวชมาหนี่เพิ่นก็บอกว่าคือการตัดเด้ยนยมเมย์ขันบวชมาแล้วเพิ่นกบ็บวให้ย่าหายคลายบวชหายด่างมูด่างง้วงด่ยงควย มีงานเงินดําเงินเดือนคือพอยาดเมยมเพิลนอาตมาบวชมาแล้วอุปชาเพลนก็บอกไปว่าให้ถือข้องคัดไปเีแดงง้อจังใดใดโยมเม่ขันเปแดงง้อจังสันมันกับเป็นอาบัตเท่านั้นตัวโยมเม่กาช้างอาบัตอาเบอิ่งหยังบอกเกยวน้ำทางสิ่นขันว่าเสือกับเป็นอันวาน่าที่จำน้องไว้หมดเสียไปเทิงทงอยกเป็นสงโยจังซียกัเป็นทอนขีฆ่านฟัง บ่สืบกีเหรีหนี่บ่อสืโยมแม่อ<ห>ขออยู่จักวันาตอนโยมแม่แั่ไหนก็บบ่สืบแม่เออขั้นบ่สืบกีเหรีกับพักันนอนอยู่นี่เราเบตั้งสองคนแมน่แลูกจเมื่อดอกเฮอบ่หรืเมื่อดอกวาสันบ้าลเปิดอดดอดโอ้ยบ่วงหวักหลังเลยบานนีออเนออซาตุเจริญพรในโยมแม่เด้อ ให้อายุบรนณุสุขขังพระรังด้วโยมเมศเศรษฐีด้วโยมเมศเศรษฐีเด้อเด้อเดถ้าหายพรานหัวปอดมันยังให้มันเมียโนว้ยตาเก่งทั้งฉาททั้งเชนอยู่บ้านอยู่เมอนุบเจ๊กันโยมเม่นั่งอยู่ใกล้ๆนตัวสันนอกเมยก็นั่งด้วนี่แหละอันวาจั้นนี่แหละโยมเมย ถึงบาโยมแม่นส่เบดนะกะตามถอนยาห่วงแม่มันด่าเด้อค้างเด้อแม่แต่เพี้ยนอดสาบเรืนข้องสินแก้วเพื่อนอยากได้ก็ให้เพื่อนเอาไป้าแม่บัดเไดายตายจากดอกกะละนาทอม่องม้าดินตายบ้านนี้หม่องยูหม่องอาศัยหายแม่กะจีไปขอยูน้ำพอใจกับน้นเก้าดดอก ออก็พอเป็นย่างเหลโยมเมยขั้นโยมเมย์ยม เ, มยยมเมยาจังสันดวงลูกด ว, กดวงเต่าได้บาดมาก็ โ, อ, โอยจะมาดีใจนะนี่โยมเมย์เ บ, บาังสันมาเ ห, หอเอออันตัวนี้ก็ดีใจโ ย, ย, ยมเมเ อ, อ้ยที่ให้ทีหน้ามันเป็นภายหนอกซื้อๆเห่านโยมเมย์นอ้มันเป็นสาบชมบาดไพ่หนอกซือ้อๆเตวาส่วนภพยในนันโยมเมยกะ็ะเด็นหน้าทั้งภายในมาใส่ได้บาดอย่าโยมเมย์แกหน้าพันนี่กินโมวกจบโลงเฮ็ดทั้งพันปีนี่แหละกับทั้งศาตร์สิมากพร้อมเลยโยมเม เพราะฉะน mm ั้นตั้งหมั่นด้วยโยมเมเดอร์เอาใคตั้งสันกับโยมเมสบายใจสันต้องดูกต้องเต่ากับสิคอยูจาปัญษาสืบต่อไปโยมเมกับกาบนกับเพื่อนยาวันไวในจิตใจด้วยโยมเมเดอร์ใช่ขันนโยมเมเสิแล้วเมืยก่อนเด้อฝนตกแล้วจะไปหาดอกกะอั้กันเออคอยเหตุคอยท่าเมเมื่อพิสูจน์รวัตรผ่านพ้นอุปสรรคแล้วเช่นนั้น ก็ตั้งมั่นเพียนศึกษาอยู่ได้ความสุขสำดานใจของตนก็มีหน้ากาลครั้งนั้นบัรนี้ขอกล่าวถึงติีพรุเสตีอีกครั้งหนึ่งเขาได้ถึงซึ่งความหายญะณในการต่อมาไม่รู้ว่าเพราะเหตุอันใดพวกท่าใช้ต่างพากันหนีหายศตั์สาเกิดล้นตายหมดทุกตัวส่วนสามีก็เป็นมีเมียใหม่ เกิดไฟไม่เคือหาดหมดทั้งหลังทรัพย์สินที่ฝังเอาไว้ก็จำที่ฝังไม่ได้เกิดยากไรในทันตาปากนั้นหนาก็เกิดบิดขาก็เกิดเคนางจะออกเอ่ยเผยวาจาทางปากเบี้ยวและขาเคว่าอย่างไรปวดน้อมใจรับฟังนิทานทำเถิดท่านสาธุชนโอ้ยมอมที่ลาวัดเอ้ย แม่ในเบิดสูนเสียงบอ่อเหลือยั่งคางไทยเป็นเทถีอีกบอ่อใดเหลือเพียงแข่แค่เศษคนขาทาดกา่อนหนีหายง้อคว้ยก็เกิดตายไพยก็ใหม่ขลึกหาดผักวก่อนหนีไปมีเมี่ยงใหม่เงืนข้ามตีฝังว้ก็จื้อมองฝังบอ่อใดามา <c oughs> มา่เ้าแม่เสียงไฟน้อเ อ, อิมอ ม, มอมมอมบัดทั้งห่องทั้งไห่ ฝนกระโตะค่ะนี่เป็นยังไผเป็นยังนอตเหรเป็นไผนอตเหรอห้องอันไผ่อยู่ท่านอนอ้าอ้าวอาว่าวหลับตาเป็นผู้เกยมาได้เทอะนโยมแม่เศรษฐีบอสนาเอาเป็นยังเหรคือห้องคือไห่เม่นผู้ไดว่าผู้ได้ขาได้จเจ้าลานโยมเม่าโทษให้แม่ฉนอกข้างยาให้เม่ทนี้กล่อมจอไปให้ซอยตนนี้โทษกรรมเบอี๋ยังลบบาดนี่ ปากเจ่าก oui. ัเมาเี yardım, mm. ่ยวอาเศร้าเศร้ายาสีหนอยโยมแมย์เฮ้ยปากเก่เบี่ยวอายเล็กน้อยนี่เป็นยังนั่งทั้งหนาวเลยอายเป็นอย่งเด็กน้อยเขาเกิดที่หลังด้วมันเป็นแังไหนอย่านี้เอาเอาเอาเสว่าห้ดองลูกลวงเต่าฟังเบิ่งก็อนจะก่นดูแ่เป็นอย่งจังปากเบี่ยวขาเกิดขึ้นจังขี้ขี้ปปี่จังสันว่าเบิ่งโยมแม่ ลาเขาเมื่อกำเวีนต่องพยายามใ่สิ่งค้าน้องติ้นเล็บจำปัดห่วงไข่แก้วกะลวงลุดไปบ่เหลือเนาจากกี่สิ่นอีกคนนั่นก็ล้นหาเนียนี่น้ำพยาลาม เลือเพียงแค่ติดตาน้ำตาฟ้าให้สัิหันหน้าหอังคือตาให้น้ำตาฟ้าให้จังได้คือจังตากบ่บีเอา ปากเบียวมันจะให้ได้ทีจางเบ้าได้ไม่ได้กะช่างเปี้ยวชีเบี้ยวหัวปลาเบี้ยวผ่านจ้ะไ่ผ่านนะมานี้ยไ่ได้ใช้อนมาเนี้ตายบ่บาทนี่ยไม่ใช่เคยกรบ่ว่างเนาะบาทเบี้ยวให้ตั้งใจก่อนเนี้ เบียวกเบี้ยวอ้าวังคือโดดเมยยยปักหอยแข้งได้เห็นปากเ่ายาวมันยวแล้วก็ยหันไปดังฝุ่นเดะเมยเลยองเมย์เออเจสิหันไปเขาสิยานอันสชกได้ไปละหัน่อือนี้ยวอืนวว่อาโชคบาดอโเบนองมย์โบเบนมาเนี้วนันจา โยมเม่มันขางเยบมันข่างจนบ่อันจีเท้าได้รอเัน้ไม่ไงจะไปเน่บงเราเนออันเราสิโยมม่เอาเอาลาเอาลาเฝ้าแจ้งไก็้าเ้าแนวปวดขามก็ใ่ก็งได้เดียวอ้จะเป็นก่ำนะโยมม่เนาะโอ้ยเอาเอา ให้คื่อนสานุญาติให้คืนย่อมเม่เบาดีขึ้นไปหรอฮันนี่จากแล้วย่อมเม่คอยเอาคืนเบิงดูนจแห้งได้ที่เราโอ้ยพูดน่าสั้นปันหัวปวเนอเจาไปได้คืนบลย่อมเม่คืนบขึ้นอยู่เออเอาข้างคืนเบิงกะเซ้าสาบันนี่ชันหัวไปเป็นปวดหัววน้ำตา เดินต่อตาคฝนนักเดือนกลาเอ้ยทำหนาวได้ความซาอ้อแบบหวานของเายรักเล่นซูอาเมียมัน ก็ียวเอานะ้ามันปากเดียวเล้อดหายไายใหม่เละใหม่บ้านจะช า, าั้นก็เล่าใจเจ้าบ้านหน้าผัขาใจต่างหลายลาปะานี้โอเทตีตีคนจะาเลือกแค่เพียงเศษข้ออะธิตีง้ำคนเลือก ฟังคำ ข, ขาา้าหนาววายบอกวายอยู่มองใดบ่จำเจอมือกะสันพอเมือขากะเคีปากกะเบี่ยวอีกต่นั่นกระฟองฟังอย่าเมื่อขอันสาดบางเมือ่อนาหลอกของทำหามาหัวเิก๊ะมาดี สามเนอกเพียบบอสจอมแม่อย่างนั้งเปลี่ยนแมงเปี๊บบอสเนีวขนดเอาหายเท่าต้มอมเบ่อมอมให้แม่คอ แม่นี่ยเอ๋ยอยากตอดบายาจองเมืองแม่ละจางบินแม่ลจางบินกี่นานะ Oi, ta า ạ t bà ta chặt việt nam, dán y ộ o h นี่เลยน้อของหัวบาส่วนหลงไปอาวิชีน้าลูกหอนอย่างเน่น่โปรดคุณหมอนโยมแม่จงสานแม่แน่ทอดเท่าจะไม่ฆ่าให้เท่าตาย เดียวนี่มาพยศลายถึกกวนใสซึ่งบ่วงเหียนนั่น เ, เจนเที่ยโควาต่อเดือถือกจอเสียนั้นเย็นชหมอกเกียงยังพอหน่อยพอยเคยมีล้ค่ะ ยมได้กาบกายเป็นเห็นแห่บาบก้ามอือนนันแม้บอกรีดเห็นทอก้อยพ้อยสามให้เติมน้ำหมอมเอห ม, อม้อทอที่แม่ได้ลวงล้ำเอาดำจาดแพ้สีเหลืองอยาได้เกลื้ยงคำขาดโยกสะเดอ ปาคุณาคอยคนเมาใหา้หายสังจุงมผู้คว่ตาฟางใ่ทางด้วยทอเดิมสารวบเอ้ยสังห้อมย้อมลาพีดแล้ลวลาวายอมลาพีดแล้ลวลาวาป่าทานทอ วลท่านและท่านอิกิษณญาอิศกิษณ์กิษณ์กิษณ มอมเอ้ยจังว่าประธานตทวจตอนคุณมอมกับมาด่าขอขมางอมรับจิตตุกเสียงอันดอกเพียงพร้อมจังว่าย่อมย่อมแล้วขอเป็นเมื่อควยแมนว่าช่วยแล้วเพิ่งอืดนั่นจะคอยหาเองดอกมอมอนใลโยนเฮเมซะเนาะคำยาหฮเมนั่นมีกรรมต่อไปไพ่ซอยตอนนั้นละนี่แหละโยมเมสิทีเอ้ยอาตมานั่นบดใส่โทษใส่กรรมโยมเมดอก แต่ว่าเป็นเว้นเป็นกรรมนันจิติตนติตโตโยมแมมาตศาสกีป่างก่อนกบ่จักเดินโยมเมเศรษฐีความเอ้ยกรรมปางกีปางหอยยางมามีดอกต้องเป็นกรรศาสนี่ตั้มตองยางเหนอนโยกโทษแห่เมซะน้อเอาละโยมเมเอ้ยอาตมาบวชใจโทษใจกรรโยมเมดอกอาตมานี่ ขั้นสี่มีกับพูนละกับโยมเมสาวนี่บอกกัเดาเองที่ละโยมเมเศรษฐีอาตมายกโทษหายโเบอกกับโแมเมาวเองเด้อบอกกับโยมมาวเอีงเด้อออมเ้าให่แมแนบไดยบนโอ้บอกเพียงแต่กี่ตก้อนเจ้ากับครืงกาบกกับเล่ายบอกเป็นอย่างดอกเาเอีงโดดโยมเมเศรษฐีเด้อเอาโลดเอาโดเบอกขอเพื่นบ้างโยมเมบกกับเพื่อนนีแมนี้ ช้างมันแม่หนังอันนี้แม่มเออเสียงอ้อยเสียงหวานคักเธอโยกโทษให้ฉันนาอโยกโทษจ้าโอ้ยม่จ๋าแง้จ๋าดีเท่จ้าเนาะกัดวันออกก้ดังฮ้อมฮ้องดอกจ้า <laughs> ยาว ให้ถามไม่ไงสักกันอย่าถามถ่อฮะอย่าถามท่อว่าถามจังใดนมัดชอยของบวชลูกคอยเวิ่นโย่อยกรติถามเพื่อนสักกนถิดตัวถามยีนไอชูดเขียวละมาลูั่นนั้นแล้วบะหูเรื่องดอกอันนั้นมาจังใดไม่ไงบรรพาแก้วยกทอดไห้ยุบบฮโยกไห้ยุบบะมันเก่งเด้อฮะเออทังเร่ว่ายโย่ย่ว่าทั้งนั้นว่าบโยกเม็นบ เมีนบก็ว <c oughs> ่บอยโยกเมีนั่นทั้งนั้นว่าบอยโยกบอยฉานั่นนั่นไม่ไงหนิก็ว่าบยโยกขนาดขยันพานาเฮียน่อยเด้อเจ้าว่าจเงี้ยวมากจะนองกับเบิ้อแต่เขา่อยล่าคอยรู้ไว้พุ่นนะจะไปเงน้ย่อยมือละสามเตอจีเื้าบวคทำมาก้อนคอยกระหเยทะเลเคืองนวยอยู่มาขยันกันจีหลว่าบอยกบอยยกเออ ท่านบอยงคายกระโยกต้นดอกเพึ่งไฮจ้ามันเลี้ยวแม่นี่ฮะอย่าไปเสียเฉียงไปอย่าไปฟังเฉียงเทวดาทั้งนั้นต่อเสียงเทวดาเนี่ยไม่ให้ฟังเสียงเทวดาจะฟังเสียงหนังหันนะฟังเฉียงหมาตัวนี้เลยเอะเออหมาหนังขึ้นตัหนายเทหมาพันหมาพัเออไปตแรกคุ้ทักในร้านหาจีดอกคัดตัหนาไป จังสีละยอดเมษนี่เมษเศรษฐีเอ้ยข่อยกับเจ้าบ่ม่โทษยังกันดอกถึงมันหลักมีมาข่อยกันโยกโทษให้อภัยได้ผูุ้ดแล้วเพราะว่าข่อยจะไปบวชเป็นแม่ชีน้ำลูดซ้ายข่อยแล้วบอกวังเอาดอกอาน้อยเอาฟังข่อยิเบอกชูพังนะหน่าจ้าเฮ้ยมาจ่าไปจัดจ้านไปยุดนั้นเมย์ไง กะเรามวนจากจีตั้งแต่ไดนแต่ไลนั่นแหละจ้าเอ้ยข้ามันบอกมวนป่านนี่มันบ่ได้นถวนบ่ได้ป่าดอกขนา องเอ้ยตาหมองเมียดบานยีควันเพียามองเ ส, สือเสีงควงควนเมาหมองเขาก่อนอ้ควงควนด่านละหมองทัาทานเจะดือมบ่หมองจงอ่างเอ้ยนอ้อพความหลงงอหกไมพ่พ่ยล่ะอัน ตัวไหนมันสร้างเต็นอันตัวนั้นเลยก็สร้างตายนาำ เออเล้วบัดเนี่ยและอา้าวโนะมาบองล่นนะพราให้คนตั้งใายได้หัวใครคนพูดอันดียนะเพราะกะวทท้องเพีรผู้เห็นก่อนออกสันสยามนะอานได้ยามันได้อุมอันได้ต้มได้ดินแกะละละคนที่เหตุแนวบ่เบียน ม, มากผสมแต่ข้อลายให้ว่า ให้บุญนอยู่บ้สศาวนัเออโดยสะโพกสงขาเจ้ายางให้พลินเลาขีเดินยมเดือนละละเพันยังว่าละสัวสังซีเดี๋สังพระเพันว่าแต่ะได้แล้วเบียดเบียนส่งให้แมงเป้าแล้วสี่โยมฝ่าสีแรงเดินยยมเนื้อล่ะ ละพันธุ์ทสวงหกงักลวงแดงเสียบให้เองยงพันบอกหนาอย่าไม่ขาดอกงามกันเดือคนหนา เออละไหนเวนลาโอกาสนี่นาลาฟังสี้งของมันดาเดินยมเดือดละที่คนจะาสาววันนี้เหี้ลพวงชายเป็นกรรมพาม เ, เสีทีนังได้แม่เว้าขอขอมาอาปากเอ้ยที่เกินลวงเกินลื้อห้าวทางเสียบจําไอ้ ก, กรรมต่อ c h o n xe bên nam อเออแล้วบาทเหนี่ยงหางศิจาเกก้าวเน้ น, นย่องถอดพ่อนอาหัวเสียนนะบ่เห็นยั อ, อันใดเลยอ้อที่ทานทําไม่เลีาลาย้ยวไหลขอนเมายอดมักลืมตายขอนเมาไก่หมักลืมเท่าลายเมาสมบัดเงินทองมากกว่ดอ่างค้อมผู้เอือน่ะบาทจรมาแ จังคอยตื่นแต่ก่อนหลับปะหัวขนอนควงอันบ่ิเวณ มาบัตรเนี่ยจากก้าเนี่ยจะต่อท่านผู้ผพว่อนมาปับนับบะมีพระคุณเหลื อ, อย่างมางหันอันนั้นอาเตืองสารบัดเธอดอกดีว่าท้ามดาสบายซาสิขอแพ่เมตตาละก่อนบัวชเส้นในเธอเนียงอาภาัยเล่า นาเธอานเสียงแนว แม่เจรษีเอ้ยคอยชิ้ไปบวดเป็นแม่ชีน้าลูกซ้าย่อยได้บ๊อบวังเอาดอกน้า น, น่อยเชิญน้าแม่เอาไปหั่นเอาไปมีเอาไปดีเอาไปได้ชาว์า <c ười> จิบวดว่าแหงแล้วก็นะยัง <c ười> สาสตร์มัดใจอยู่สาธุเดอ้อมาดีแถอะแม่นี้เอ้ย แม่นี้ท่า<ะ>นบวชซีไปแล้วให้ซีเห็นสอดจ้องปองคุณเดือซีฮะแม่ยังเกาะยังชี้เห็นยังเกาะท่านบวชซีไปแล้วให้ซีเห็นจอดสูอย่างคุณเดือซีแล้วไปหขนาดใจแม่หูเปีย <c oughs> มอมอะไรล่ะทุ่คนเนี่เมื่อโยกโทษให้แม่แล้วจังสี เทศให้ฟังเน่เอาอยากอยากฟังเทศสันบาบาตนี้ยจ้าปากเบี้ยวแล้อยากฟังเทศเน้จ้าโอ้ยตะกี้ต่กนขั้นเป็นเนี่นี้คือสิบวเเป็นปดเปจ้าสิบวทุกยากปากบาบวัเบี้ยวค้ากสิบวขัวกสิบปา่ า, อปาดอกยมเมมหูนักตาบอดมาโดนเรีวเทศให้เมอฟังนี่เออเอาอาสัสนกฟัง เ, เ, เงดิยม เ, เมเด้อจ้าโอ้ยเจมันจ่าหวานจ่ามวนเจ้าหน่อยสิควนหอมหอมขึ้นหวดังดอก <c oughs> บเบาดเนีและล่ฟังบอบจันล่าก่อนประพันเดือบันสาดลล่าลูปความลุ่งไห้จงเจงทะ เ, เรื่องไห้เจิมเขาล่เพื่นว่าฟาห่องหาวย่าเพื่อเอาว่าโตเด็ดบางที่เนี้วน้ำเพรอาจสิบป่อมบอบมีม้ค่ะ และวแล้วบ <Mr>. <vre> hey. ัดน sure ี้เป็ <c oughs> ี่ยนราชผู้ครองบ้านนครนทองอำนาจตั้งอาจบ่หมีเมืองนางตายยังขาดพวกพ้องและไผสิหูละห้อมกับบุฮันและทุกสิ่งอย่างมันบ่หวันเดือเดเดือดดังเฮาคิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดรับอาจสิมีอยู่โดยทั่วการวัดตวารีลาบัดเจอกำสิโอเอาเดือยโยมพ่อลายโยมเมีละให้คิดบางดาวเด่นโยฝ่ายยังมี ฝากเขาเรืออ่มงมเขาเรื่มละาม แ ล, และย้าจะเป็นผู้เลิศลำอย่าทางยง่จนเกินไพบัตรโนตสักสนไหายไปโม้คนสิลมเยอและไหม่เศ้าเลยกะไม่น่าไหมกะเพื่อกะไมนะอีกไหมน้อยกะไม่นะสี่เป็นหวงหรือกาบอไม่ไผอยู่คำป่าอย่าไมยมันหุ่มแต่กันละเด้คอคนมาแล้วเบ้าไหวฟังเพียงสำนันบอยอยากว่าไปไหลบักบออยากหักไปไหลมู บอ่อยากฟันไปหลายไหมและน่ากำผ้ามันละหม่ก็ใหญ่มาตามนกเนืน้อตอนละและเออยเป็นภาคคำสอนละคอนทมตออจำบากคำชวนนั่นเปียบดังไฟเปียบดังละไฟ <Yeah. S 2> และคนชีวิตเสนอยากได้อาจเป็นปาดิมิทธาจาร์นะและการเดินทางบ่ท่านสุดขาดลมบั้นสุดท้ายและย่าด้ไหมว่าตัวย่าเห็นคนจนแล้วหยาบยำนะบาปไปก็กรรมไปทําเปียนของตัวห้อยต่อยเห็นคนลมอย่าหัเซวอย่าหัวเซว ละหนูบ่ท่านใดถูกแหวหนูก็อวดว้าดอกหนูไววเบิ่งกันไปดอกคนเฮาดอกคนเฮายาแยกสาดอกเหลือฉันและอีกบ่ดนบ่อนั้นพวกม่เฮาก็ตายแล้วและหางกายกาสิถูกดอกไฟเผาเจียและต่อให้มั่งต่อให้มีเป็นเศรษฐีเดือทุกให้บ่ได้จะเกี่ยนล้าน้อยน่มนะเออแล้วบัดนี้บาไห้ฟัง เพียงสำนันบ่อยากว่าไปไหบ้างนะละาผ่านผิดลดวนั้นยินย่อมดับในความผิดปาดบันิตเพิ่นสันเสริญเอิญและเป็นดอกคนเทนแล้วขอสเวนาตรงนี้จบพอดีเรือสิ้นดอกเนือคายแล้วหน้ากำมพาและผููเม่ไหม่อาวสานขันเรียบร้อยภาวรนคอยะ เสวายก่อนนันดาเด้ดอดมูกาละยู่ คนลวนสารภาพาบอนตาบ้าป่าทับเตะจนอ่านแย่อางละโท่หมอกินเลยคันว่าอมที่เคยกินห่วยหอมเกิดเป็นจอมอุตตาเพียรดอกววนมินในคอนเว เคยยยเยกลายเป็นหอลาเสือเคยลบเคยญาติองญาดมากนุน้นิมนิมเป็นน้ำจิ้มว่าทางแทงลาสมีแสงที่เคยใส่เจอจ่าถึกมัวหน้าฝ่านั่นเรียมงามากขาวเาเปอเป็นผู้เลิศลามาขอยอยมยำคนจนข้าวมา ของคนข้อเขาเคีจางในหลงคันลายโอ้สอดสีพันละน้งป่าจันโตพอดบากนี้จันทงเพียรพอกวิ่งบ่อนา่าแตงหั เลือดหลอนเหลือเพียงฝ่าที่ห่อกายอ้าวละดีขั้นแลลายขอรลับอย่างหนูจะนี้บ่ตี่ยังทั้งมวนขอบาเฮานันมันบ่า เขียนว่าต่อนันบินได้ก็พอเบียนจนสูงโดงมาปีขาขวาปากลอมจังหว่านี้บ่ห ม, มุนขี้ดินได้แม่ทอไงบ้านไทยนี่ขอฝากไว้ผู้น่าไง ย, ยอนเงินทองยาจองหองทะนุงตนให้เบางคนดอกจนบางได้ลงวังเบืบ้องกว้างเห็นบัวควายยาเหยยบงามา เมืองนั้นขาดแห่งตีหลงอแมนอาวฮา มวลและบาบนั้นน่าจำเถิดว่ามันมีจริงจงา้าเป็นขิงยาไรละเป็นขาเ อ, ออย่าเล้งลอนออูทาหอนในเห็นแล้วคนเคยรวยยังเต็มทีเต็มพะลูผู้เจี๊เป็นเสกคนที่ปนปี่ย่าเอาเยี่ยนแม่นยางน้ำมาแห้งว้าไปหะสอกซำน้ำแ่คักหนักบทกอมขอละลงเสียที พอหนิทานนันจบบ้านาไคยังฝันว่าโตเยี่ยมลดติตีลองเตือดว่ายิ่งเป็นมันศาสนาป้าประกมแห่งแลนตองปวดตองทวนอย่าคีดล้องอ เอาละน้พี่น้องบัลขอขอทำ ม, มากระทาขอบกระใจตีฟังมาจนว่าจบดอกไปตันหนายนยมสาธาฟังแล้วปวดเห็นใจสันคนเทีนเหตุบนแตงไว้จานสีบอกเคยแก่งกาวแลาง ของโยหรอกเรื่องเท่นั่นมันเป็นเหตุสูดรวิสัยขอกองไปตามบอดยาสิสั่งกันเด้อป่ามาทานสีมาทานหาเติมฮาลาหนำกันแน่หั ก, กยาสิหักต่างแต่องลูกใต้กับองแม่มาแย่แม่เทศทีนั่นมาคื อ, อย่านแต่เพิ่อนซังนาสองท่านเจ้าของฮันอยากอห้ดีขอลากกอน ท่านให้ท่านให้ปอนขอให้ถือเลกท้ายขอให้ถือเลกท้ายสามต่อเดินหัวเสมานั่นละเดิ่กาญมาอีก ขอ้นยาขึ้าขึ้นขึ้นข้นขึ้ะขึลาขึ้นขึ้นข้นขึ้ข้นน้น ขอยอมท่านที่นั่งฟังจงสุขสนะมีความสุขเนีราตรุ่งเสมอการสวดสวรรค์นิ่ผ่านเออสัมบายเธอนะจะเริ่มพาย สวกสัมบายพอกันไม่ไ ด, มดออื้อเม่ดดองเออ ลาสามพโลกสองัยจงนี้ไกิจากพวกพี่น้องตะพองเทว้เกิดตายอาตะมาทั้งสามจะขอยุติลงปรองพระสัทธมาเทศนางก็ไว้ได้เพียงซ้ำน่เหียมปวันคาสิไวกอนอลาล้หลายลายยันมันเล้งล้มเนง ญานไม่คน น, น้อยนอยละละสายทันทํำญาติฝนเอาแต่เพียงสุ่มซื่อเอื้อนขันย็นชำ้ำเสือนอูนลาเลยน เออควายตั้งตอนหน้าตรงตอนลอดสนดาบเดินย้มนดูอเอาโสตามาลองลำลถดประทรบไม่จำว้ฟังเอาพลเอาข้าเกิดปัญญาสิดีกูัน ลาเขือนเว้าไปยันมวนสิงหามองดอกบอนล้งอะกระยาเฝ้าเอาเต็มที่หลบหวัวทีงดไยข้คข้อคคอข้อคอค้อลดจีอาสร้งสามสีหา ตโตโยตาดอกสีตันน้ำมันแพงสุมเงอนเนี่ยต้องผ่านเครื่องบนังเกินถ้าสุดลงเสียเงินได้จอดตายเศ้าเนียงเนียงเสียทีเตาเติมน้ำรอบสองสามจังค่อยเลอะละและน้ำมันแห้งขาดแคล่ละไปก่อนเดือน่ พนะพิณอโอยสะท้า่นได้รลอหนึ่งกับเยอะพังสะทาน ว่าแมนโยดีมีเงินนะสั้ น, น, น, น, น <c oughs>